บ้านเมืองเดือดร้อนเพราะผู้มีอิทธิพลหลุงพ่อถามนายตำรวจใหญ่ในฐานะที่ท่านเป็นตำรวจอัตมาขอถามปัญหาสักข้อหนึ่งท่านจะตอบหรือไม่ตอบก็ละแต่ท่านแต่ขออนุญาตถามท่านจะถามปัญหาอะไรรถยนต์เป็นคันคัน ทำไมคนร้ายขโมยขับข้ามแดนไปขายให้ลาวให้ขเขมรได้ชายแดนเรามีทั้งตอชอดอมีทั้งทหารมีทั้งนายด่านคอยควบคุมทำไมมันขับผ่านด่านออกไปขายได้ตำรวจอึง้งที่กล้าถามอย่างนี้เพราะู้สิษย์ของหลวงพ่อที่สึกออกไปจากวัดนี้มันไปนเป็นสมาชิกของพวกบริษัทก่อสร้างมันมีรถปิกอัพคันหนึ่งเวลาว่างๆ ง, งานมันก็ขับไปโน่นไปอารัน ไปจอดนั่งซดกาแฟอยู่พลเรือนคนหนึ่งกับตำรวจในเครื่องแบบคนหนึ่งไปไขกุญแจรถมันมันเห็นท่าไม่ดีมันก็เลยเดินเดินไปตำรวจถามว่ารถคุณเหรอครับของผมเองมันก็เดินหนีไปเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรได้โดยเสรีต้องมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลัง เมื่อก่อนนี้สมัยหลวงพ่อเรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมเพื่อนนักเรียนคนนึงเพื่อนมันหาว่าขโมยดินสอดำมันคุยบอกว่าหน้าอย่างกูเนี่ยไม่ขโมยหรอกดินสอดำถ้ากูจะเป็นขโมยอ่ะกูขโมยช้างถ้ากูจะเป็นนักปล้นกูจะปล้นธนาคารกูจะขโมยรถยนต์ดินสอดำกูไม่ขโมยหรอกเสียเกียรติมันว่าเด็กน้อยมันพูดไอเราเป็นเพื่อนกันก็นกยังนึกขำๆ มาเดียวเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วคนขโมยรถยนต์ขโมยช้างเมื่อก่อนขโมยวัวควายไปฆ่ากินเดี๋ยวนี้ขโมยได้จนกระทั่งช้างช้างแถวสุรินเห็นไหมมีแต่ช้างงาด้วนเวลาหลวงพ่อคุยบางคนเขาก็คิดว่าทำไมพระไปเที่ยวหาซอกแซกรู้นน้นรู้นี่ไม่อยากรู้หรอกพระไม่อยากรู้หรอกแต่คนมาเล่าให้ฟัง ที่เล่าให้หมู่ฟังเนี่ยก็เพื่อจะพิสูจน์ว่าเท็จจริงอย่างไร